เพื่อมาบงเพิญบุญสร้างสร้างกุศลเพื่อเป็นการสร้างเรือนที่อยู่อาศัยให้แก่ใจหรือที่พึ่งทางใจนั่นเองที่พึ่งทางใจนี้เป็นที่พึ่งที่สําคัญที่สุดของชีวิตเรามากกว่าที่พึ่งทางกายเช่นปัจจัยสี่ คือที่อยู่อาศัยยารักษาโรคเครื่องนุ่งหง่มและอาหารเพราะที่อยู่ที่พึ่งทางกายนี้ดูแลได้เพียงส่วนของร่างกายเท่านั้นแต่ไม่สามารถดูแลส่วนของใจได้คนที่มีที่พึ่งทางกายครบถ้วนบริบูรณ์ก็ยังถูก ความทุกข์ทางใจรุมกระหนำ่ำเหยียบย่ำทำลายจิตใจ <c oughs> อยู่ตลอดเวลาได้ถ้าไม่มีที่พึ่งทางใจส่วนผู้ที่มีที่พึ่งทางใจแล้วจะ <c oughs> ปลอดภัยจากความทุกข์ทุกประการไม่ว่าจะเป็นทุกข์ทางใจหรือทุกข์ทางกายก็จะไม่สามารถเข้ามา เยียบย่ำทำลายจิตใจได้เลยแม้ที่พึ่งทางกายจะขาดตกบกพร่องไปบ้างเช่นอาหารการกินไม่สมบูรณ์กินมืออดมืออย่างนี้หรือไม่มีที่อยู่อาศัยต้องนอนตามใต้สะพานตามเรือนร้างตามโคนไม้ตามถ้ำตามผา กย่ะไม่มีความทุกข์ที่เกิดจากการขาดแคนเหล่านี้ก็จะไม่สามารถเข้าไปเหยียบย่ำทำลายจิตใจของผู้ที่มีสลาณะที่พิ่งทาใจได้เลยดังนั้นการสร้างที่พึ่งทางใจนี้จึงเป็นเรื่องที่สำคัญอย่างยิ่งเป็นเป็นหน้าที่หลักเป็นงานหลักของพวกเราเลยก็ว่าได้ เพราะถ้าเราไม่มีที่พึ่งทางใจแล้วต่อไปใจของเราจะต้องถูกกระทบจากเรื่องของทางร่างกายอย่างแน่นอนเพราะร่างกายของเรานั้นมีแต่จะเสื่อมลงไปเรื่อยๆและร่างกายของผู้อื่นที่เรายึดเป็นที่พึ่งก็จะเสื่อมไปเรื่อยๆเช่นเดียวกันเช่นบิดามารดาของพวกเรา ปุยาตายายญาติสนิกมิตสหายหรือคนที่ใกล้ตัวเราที่เรารักสามีหรือภรรยาหรือบุตรธิดาก็จะต้องมีการเสื่อมไปเป็นธรรมดาจะต้องแก่ลงไปเรื่อยๆแล้วก็จะต้องเจ็บไข้ได้ป่วยจนในที่สุดก็ต้องตายจากกันไปรวมถึงร่างกายของเรา ถ้าเราไม่มีที่พึ่งทางใจแล้วเวลาที่ปรากฏเหตุการณ์เหล่านี้ขึ้นมาจะสร้างความทุกข์ทรมานใจสร้างความเศร้าโศกเสียใจให้แก่พวกเราอย่างมากเลยทีเดียวแต่ถ้าเรามีที่พึ่งทางใจแล้วรับรองได้ว่าเรื่องต่างๆเหล่ า, า, านี้จะไม่สามารถมากระทบใจของเรา ให้เกิดความเศร้าโศกเสียใจเกิดความทุกข์กวลกวายได้เลยจึงควรที่จะให้ความสำคัญต่อการสร้างที่พึ่งทางใจที่พึ่งทางใจนี้ก็มีอยู่สองลักษณะหรือสองส่วนด้วยกันส่วนแรกเรียกว่าพระรัตนตรยัยคือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ที่เรากล่าวถึงว่าพุทธธรรมธรรมัง สังขังสระนังกัจฉามินี่เป็นที่พึ่งส่วนแรกที่เราจําจะต้องมีส่วนที่พึ่งส่วนที่สองที่เป็นองค์ประกอบที่สําคัญพอๆกับส่วนที่หนึ่งก็คืออัตตาหิตอัตโนนาโถตนเป็นที่พึ่งของตนถ้าอยากจะสร้างเรือนใจให้ครอบถ้วนเป็นที่พึ่งของใจแล้ว เราจำต้องมีที่พึ่งทั้งสองส่วนนี้คือมีพระรัตนตรยัยและมีอัตตาหิอัตโนนาโถตนเป็นที่พึ่งของตนเพราะต่างฝ่ายต่างทำหน้าที่ต่างกันนั่นเองพระรัตนตรยัยคือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์มีหน้าที่เป็นผู้นำทางเป็นเหมือนแผนที่เป็นเหมือนมักกุเทศ ที่จะนำพาให้เราได้ไปสู่จุดหมายปลายทางที่เราปรารถนาคือเรือนใจที่สามารถปกป้องคุ้มครองรักษาให้ใจของเรานั้นปลอดภัยจากความทุกข์ทั้งหลายได้ส่วนที่สองคืออัตตาหิอัตตาหิอัตโนนาโถก็คือเราต้องเป็นผู้ปฏิบัติตามนั่นเอง เราต้องเดินตามทางที่พระพุทธเจ้าและพร ะ, พระอริยรสงสารโลทั้งหลายได้เดินไปแล้วท่านสอนเราแล้วว่าทางที่จะไปนี้ไปอย่างไรเป็นหน้าที่ของเราที่เราจะต้องเดินทาหน้าที่ของเราส่วนนี้ไปบะรัตนาตราไม่สามารถฉุดลากเราไปได้ไม่สามารถแบกเราไปได้ ไม่สามารถเดินแทนเราไปได้ถึงแม้เราจะมีพระรัตนตรัยอยู่ในใจแต่ถ้าเราไม่ปฏิบัติตามพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าหรือของพระอริยสงสาวกแล้วเราก็จะไม่มีทางที่จะได้เรือนใจไว้เป็นที่พึ่งเราจึงต้องมีทั้งสองส่วนด้วยกัน ถ้าเรามีส่วนใดส่วนหนึ่งก็จะไม่สมบูรณ์เช่นเราคิดว่าเรามีความสามารถเราเก่งพอที่จะพึ่งตัวเราเองได้แต่เราก็จะไม่รู้จักวิธีที่จะทำให้ใจของเราเป็นที่พึ่งได้เราก็จะพึ่งตัวเราเองอยู่กับร่างกายเท่านั้นเช่นคนที่เขาคิดว่าเขาเก่งเขาสามารถทำมาหากินจนร่ำรวย เรียหนังสือจบกเริญญาเอกมีความรู้ความสามารถหาเงินหาทองหาลาบยศเสริญสุขได้อย่างเต็มที่เขาก็คิดว่าเขาเก่งพอที่จะพึ่งตัวเขาเองได้แล้วเขาไม่จำเป็นจะต้องพึ่งใครอีกต่อไปเขาก็จะพึ่งได้แต่ส่วนของร่างกายแต่เขาจะไม่สามารถพึ่งได้ในส่วนของจิตใจ พ่าเรื่องของร่างกายคือความแก่ความเจ็บความตายหรือเรื่องของการพาดพลาดจากของที่ตนรักนี้เป็นคติธรรมดาเป็นเรื่องธรรมดาเป็นเรื่องที่จะเกิดขึ้นกับทุกๆุกคนเกิดทั้งกับคนเก่งและคนไม่เก่งและเมื่อเกิดขึ้นแล้วเขาจะไม่รู้จักวิธีที่จะรักษาใจ ของเขาให้เป็นปกติสุดได้ใจเขาจะต้องรุ่มร้อนกนกวากหวาดกลัวกับเหตุการณ์ที่กำลังเกิดขึ้นหรือที่จะเกิดขึ้นก็ดีทั้งนี้ทั้งนั้นเพราะเขาถืออัตตาหิอั ต, ตโนนาโถเพียงส่วนเดียวตนเป็นที่พึ่งของตนแต่เขาลืมไปว่าที่ ที่พึ่งของตนที่ตนเองสามารถสร้างได้นี้ไม่พอเพียงต่อการปกป้องรักษาใจของเขาให้อยู่อย่างปกติสุขได้จึงต้องมีที่พึ่งทั้งสองส่วนมีพระรันาตนใจเป็นที่พึ่งแต่ไม่ปฏิบัติตามก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรเพราะเรายังไม่ได้เหลือนใจจากการมีพระรันาตนัยเท่านั้น เหมือนกับมีแบบแผนแบบแผนสร้างบ้านแต่เรายังไม่ได้ลงมือสร้างบ้านมีภาพของบ้านอยู่แล้วแต่เรายังไม่ได้ตัวบ้านยังได้แต่ภาพซึ่งเป็นกระดาษใบหนึ่งเท่านั้นเองพระนันตะใจก็เป็นเหมือนกับภาพของบ้านที่เรากําลังจะสร้างกันแต่ถ้าเราไม่สร้างกันเราก็จะไม่ได้บ้านไว้สําหรับ ปกป้องรักษาใจของเราให้ปลอดภัยจากทุกภัยทั้งหลายได้ดังนั้นเราจึงต้องมีทั้งสองส่วนเราต้องมีพระรัตนตรยัยและเราต้องมีอัตตาหิอัตโนนาโถไปควบคู่กันวิธีที่จะเข้าถึงพระรัตนตรัยในเรื่องต้นก็คือต้องศึกษาว่าพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์นี้ เป็นอย่างไรมีความหมายอย่างไรเช่นเราต้องรู้ว่าพระพุทธเจ้านี้เป็นผู้ตัดสุ้เองโดยชอบคือรู้จักวิถีทางแห่งการสร้างเรืนใจนี้ให้มาปกป้องจิตใจพระองค์ได้สร้างเรนใจสาเร็จแล้วใจของพระองค์หลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งปวงแล้วใจของพระองค์พ้นจากความ เกิดแก่เจ็บตายแล้วไม่มีความทุกข์ต่างๆใดๆที่จะสามารถเข้าไปเหยียบย่ำทำลายจิตใจของพระองค์ได้แล้วหลังจากนั้นพระองค์ก็ทรงประกาศคำสอนคือพระธรรมคำสอนสงสอนให้พวกเราทำดีละชั่วกำจัดความโลภความโกรธความหลง ภายในใจของเราให้หมดสิ้นไปเพราะนี่คือวิธีสร้างเรอนใจนี้เองให้ทำบุญทั้งหลายให้ถึงพร้อมให้ละบาปทั้งปวงเสียให้ชำระใจให้สะอาดบริสุทธิ์กำจัดความโลภความโกรธความหลงที่เป็นเหตุสร้างความทุกข์ทั้งหลายให้แก่ใจนี้ให้หมดสิ้นไปนี่คือพระธรรมคำสอน ของพระพุทธเจ้าที่เป็นธรรมบังสรนังกัจฉามิของพวกเราหลังจากที่พระองค์ได้ทรงประกาศสั่งสอนนี้แล้วก็มีผู้มีจิตศรัทธามีความเลื่อมใสนำเอาไปปฏิบัติจนปรากฏเป็นพระอาริยสงฆ์สาวกขึ้นมาพระสุปฏิปันโนพระปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ เป็นพระอาหารหันตสาวกขึ้นมานับเป็นจำนวนมากท่านก็สามารถนำเอาแบบแปลนที่พระพุทธเจ้าสง ม, มอบให้ไว้ไปสร้างเรือนใจของท่านกันจนท่านได้เรือนใจขึ้นมาเป็นของของท่านเองท่านก็หลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งปวงที่เกิดจากการแก่เกิดแก่เจ็บตายได้ นี่คือพระสังฆรตชนพาพระอริยสงสาวกของพระพุทธเจ้าที่จะเป็นผู้ทาหน้าที่แทนพระพุทธเจ้าสืบทอดพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าให้แก่อนุชนรุ่นหลังที่จะเกิดตามมาต่อไปเป็นการถ่ายทอดพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้ามาจนถึงปัจจุบันนี้ พระธรรมคําำคำสอนนี้เปรียบเหมือนกับเป็นตัวแทนของพระพุทธเจ้าเลยทีเดียวเพราะพระพุทธเจ้าได้ทรงตัดไว้ว่ า, าธรรมวินัยที่ตถาคตตัดไว้ชอบแล้วนี่แหละจะเป็นศาสดาแทนเราต่อไปพระธรรมคําำคำสอนนี่แหละเป็นตัวแทนของพระพุทธเจ้าหรือว่าจะเป็นพระพุทธเจ้าเลยก็ได้ เพราะพระองค์ทรงตรัสไว้ว่าผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นเราตถาคตผู้ที่เห็นตถาคตก็คือผู้ที่เห็นธรรมนั่นแล้และการที่จะเห็นธรรมได้ก็คือการศึกษาเอาธรรมะคำสอนของพระพุทธเจ้ามาสั่งสอนใจเรานามาปฏิบัติเรามาทำบุญกันวิธีการต่าง เรามาละบาปกันด้วยวิธีการต่างๆและเรามาชำระจิตใจของเราให้สะอาดบริสุทธิ์ด้วยวิธีการต่างๆดัง่นี้เรียกว่าเป็นการสร้างพระธรรมให้ปรากฏขึ้นมาในใจเพราะเมื่อจิตใจเริ่มสะอาดขึ้นก็จะปรากฏพระธรรมขึ้นมาพระธรรมนี้ธรรมะนี้มีอยู่ในใจของเราแล้วเพียงแต่ถูก กิเลสเครื่องเศร้าหมองหุ้มห่ออยู่เท่านั้นเหมือนกับทองคำที่ถูกดินถูกโคลนตมปกปิดเอาไว้พอเราเอาเอาทองคำนี้มาชำะระล้างด้วย น, น้นเอาพวกโคลนตมต่างๆให้ออกไปก็จะเหลือแต่ทองคำบริสุทธิ์ฉันใดจิตใจของพวกเราทุกคนก็เป็นอย่างนั้น จิตใจของพวกเรากับของพระพุทธเจ้าไม่แตกต่างกันแต่อย่างใดต่างกันตรงที่จิตใจของพระพุทธเจ้าสะอาดบริสุทธแล้วท่านได้ชำระล้างจิตใจของท่านจนพวกกิเลสเครื่องเศร้าหมองที่เปรียบเหมือนโคลนตมที่หุ้มห่อจิตใจนี้สลายตัวหมดไปแล้วก็เหลือแต่ใจที่สะอาดบริสุทธิ์ ใจของพวกเราก็จะเป็นอย่างนั้นถ้าเราชาระใจของเราชาระความโลภความโกรธความหลงที่เป็นเหมือนกับโคลนตรงพุ่มห่อทองคำนี้ให้มันหลุดออกไปจากใจของเราพอมันเริ่มหลุดออกไปความบริสุทธิ์ก็จะปรากฏขึ้นเป็นขั้นๆไปเป็นตอนๆไปมีอยู่สี่ขั้นตอนด้วยกันที่เรียกว่า ผลสี่มรรสี่ผลสี่ก็คือพระอริยสง์สี่ขั้นมีพระโสดาบันพระสกิดาคามีพระอนาคาหมีพระอาหารหันต์นี่เป็นขั้นของจิตใจที่ได้รับการชำระไปตามขั้นตอนขั้นแรกเมื่อชำระไปได้ส่วนหนึ่งก็ปรากฏเป็นธรรมดวงตาเห็นธรรมขึ้นมาส่วนหนึ่ง เ, เรียกว่าพระโสดาบันขั้นที่สองก็เป็นขั้นสกิดาคามีขั้นที่สก็พระอน า, าคามีขั้นที่สี่ก็คือพระอารหันต์เมืม่อถึงขั้นที่สี่แล้วใจก็สะอาด บ, บริสุทธิ์หมดจดเหมือนกับใจของพระพุทธเจ้าเมื่อใจเป็นอย่างนั้นแล้วก็จะรู้ว่าพระพุทธเจ้านั้นเป็นอย่างไรนั่นเองเพราะใจที่บริสุทธิ์หรือที่เราเรียกว่าธรรมะ ที่ได้ปรากฏขึ้นในใจของเรานี้แล้วนี่แหละเป็นเช่นเดียวเป็นอย่างเดียวกันกับความบริสุทธิ์ของพระพุทธเจา้าเหมือนกันเราก็จะไม่สงสัยในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์อีกต่อไปว่ามีจริงหรือไม่ว่าอยู่ที่ไหนเราไม่ต้องเสียเวลาเสียเงินเสียทองเดินทางไปถึงประเทศอินเดียเพื่อจะไปหาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ เพราะที่เราไปนั้นเราจะได้แต่ซากของพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์จะได้แต่ซากของที่อยู่ที่ปฏิบัติธรรมที่ตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าที่เผยแผ่ธรรมะของพระพุทธเจ้าและที่ท่านละสังขารสเสด็จดับขันธ์ปรนิพานเราได้เท่านั้นเองแต่เราจะไม่ได้องค์แท้ของพระพุทธเจ้าที่เรียกว่าพุทธ เพราะว่านั่นไม่ใช่ที่ที่จะทำให้เราได้นั่นเองที่จะทำให้เราได้นี้ต้องอยู่ที่สุปฏิปันโนอยู่ที่การปฏิบัติดีปฏิบัติชอบปฏิบัติตามพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าอย่างเคร่งครัดต้องทำบุญอยู่อย่างสม่าเสมอไม่ว่าจะเป็นวันพระวันโกนหรือวันธรรมดาควรจะทำให้มากม มีโอกาสมากน้อยเพียงไรขอให้เราทำไปเถิดความดีนี้ก็มีหลายรูปแบบการให้ทานด้วยวัตถุข้าวของเงินทองก็เป็นอย่างหนึ่งการให้ความรู้แก่ผู้อื่นก็เป็นอย่างหนึ่งการให้อภัยไม่ถือโทษกดเคืองแก่ผู้อื่นก็เป็นอย่างหนึ่งการให้ธรรมะแก่ผู้อื่นนี่ก็เป็นการกระทำความดี หรือการรับใช้ผู้อื่นช่วยเหลือผู้อื่นถ้าเราไม่มีเงินทองไม่มีอะไรจะให้เราก็ให้กายของเราให้กำลังกายกำลังใจแก่ผู้อื่นเห็นผู้อื่นตกทุกข์ได้ยากเราพอที่จะช่วยเหลือเขาได้อย่างไรก็ช่วยไปเช่นเห็นคนตาบอดเดินข้ามถนนเราก็พาเขาข้ามถนนอย่างนี้นั่งอยู่บนรถเห็นสุภาพสตรีคนที่อ่อนแอกับเรา ยืนอยู่เราก็สละที่นั่งของเราให้แก่ผู้อื่นหรือว่าเราถ้าเรายังเป็นผู้น้อยอยู่เราก็ให้ความเคารพแก่ผู้ใหญ่ให้มีความเชื่อฟังต่อผู้หลักผู้ใหญ่ไม่ตไม่ตีตนเสมอท่านต้องเคารพท่านเสมอเพราะท่านเป็นอาวุโสกับเราทั้งวัยวุธและคุนวุธ นี่คือการทำความดีชนิดต่างๆที่เราสามารถทำได้ไม่จำเป็นจะต้องมาทำที่วัดเพียงอย่างเดียวเวลาเราเจอใครอยู่ในเหตุการณ์อันใดที่เราสมควรที่จะทำความดีอย่างไรก็ขอให้เราทำไปเถอดเช่นเดียวกับการละการกระทั บ, ทบาเราก็ไม่ละแต่เฉพาะวันพระวันศีลวันโกนเราควรจะละทุกวัน เราไม่ควรฆ่าสัตว์ตัดชีวิตลักทรัพย์ประพฤติผิดประเวณีพูดปลดมดเทศเสพสุรายาเมาไม่ว่าจะเป็นวันไหนก็ตามเพราะการกระทำบาปนี้มันมีแต่โทษอย่างเดียวคุณที่มันให้นี้มันเป็นเหมือนควันไฟความสุขที่ได้จากการทำบาปนี้มันเป็นเหมือนควันไฟเพียงชั่วเดียวเดียวมันก็จางหายไปหมดทิ้งไว้แต่ความรุ่มร้อนของจิตใจ ความหวาดกลัวความวิตกกังวลดังนั้นอย่าไปคิดว่าเรารักษาศีลเพียงวันเดียวก็พอที่ท่านให้รักษาศีลในวันพระก็เพราะว่าเป็นวันที่เราได้มาวัดกันเราเลยได้มาสมาทานการสมาทานความจริงไม่ได้เป็นการขอศีลจากพระเป็นการขอความรู้เกี่ยวกับเรื่องศีลว่ามีอะไรบ้าง เช่นคนที่ไม่รู้ว่าศีลห้ามีอะไรก่อนที่จะรักษาศีลห้าได้ก็ต้องรู้ก่อนว่ามีอะไรบ้างในการสมาทานก็คือการขอความรู้จากพระไม่ได้ขอศีลจากพระเพราะศีลของใครของมันให้กันไม่ได้ศีลของพระให้โยมไม่ได้ศีลของโยมก็ให้ผู้อื่นไม่ได้ศีลใครศีลมันต้องรักษากันต้อง ต้องสร้างมันขึ้นมาเองดังนั้นความจริงแล้วศีลนี้ต้องเป็นเป็นเหมือนกับเสื้อผ้าที่เราสวมใส่เราแทบจะไม่มีเวลาว่างจากการสวมใส่เสื้อผ้าเลยแม้แต่บางท่านถึงขณะเวลาอาบน้ำก็ยังไม่ยอมเปลื้องผ้าอาบเพราะมีความอาย ถึงแม้มนุษย์จะมองไม่เห็นก็ยังอายผีสางเทวดาฉันใดศีลนี้ก็เป็นเหมือนกับเสื้อผ้าอภารรของใจที่ใจควรที่จะสวมใส่อยู่ตลอดเวลาควรจะมีความอยางอายต่อผีสางเทวดาเช่นเดียวกันก็คือควรจะมีฮิริโอตปะนั่นเองผู้ใดมีฮิริโอตปะแล้ว ผู้นั้นจะมีความยางอายมีความหวาดกลัวต่อผลของการกระทำบาปจนไม่กล้าที่จะทำบาปเหมือนกับคนที่มีความอายต่อผีสางเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายก็จะไม่กล้าเปื้องผ้าต่อหน้าเขานี่คือเรื่องของศีลจึงอย่าไปคิดว่าเราเพียงรักษาศีลในวันพระก็พอแล้วไม่พอ วันพระนี้เป็นการเหมือนกับเป็นการย้ำตอบย้ำว่าเรามีเราต้องมีศีลถ้าเราอยากจะมีเรือนใจที่คุ้มครองรักษาใจของเราถ้าเราไม่มีศีลก็เหมือนกับเรามีบ้านที่ยังสร้างไม่สมบูรณ์คืออาจจะมีเสาแต่ไม่มีหลังคาไม่มีฝาก็ยังไม่สามารถปกป้อง ผู้ที่อยู่อาศัยในบ้านหลังนั้นให้พ้นจากภัยทางธรรมชาติได้ใจก็เช่นเดียวกันถ้าไม่มีศีลก็ยังไม่สามารถรักษาใจให้พ้นจากความทุกข์ต่างๆได้และนอกจากศีลแล้วใจก็ยังต้องมีการชำระใจด้วยให้สะอาดบริสุทธิ์ก็คือการภาวนาที่เรียกว่าการนั่งสมาธิ และการเจริญปัญญานี่ก็เป็นอีกส่วนหนึ่งของการสร้างเรือนใจที่เราต้องทำกันความดีเราก็ทำอยู่เสมอเวลาที่เราเจอใครเราอยู่ในเหตุการณ์อันใดทำความดีความดีง่ายที่สุดก็คือมีไมตรีจิตเจอใครก็ยิ้มแย้มแจ่มใสทักทายเขาอย่าไปเกลียดไปโกรธชังเขาเขาทำอะไรไม่ดีไว้ก็ให้อภัยเขาไปถือว่า เราเป็นเพื่อนเกิดแก่เจ็บตายด้วยกันความทุกข์ลบากที่เกิดจากความแก่เจ็บตายนี้มันพอแล้วเราไม่ต้องไปเพิ่มความทุกข์ให้กับเขาด้วยความโกรธเกลียดเขาเลยพยายามมองทุกคนว่าเป็นเหมือนพี่เหมือนน้องเป็นเพื่อนกันเจอใครก็ยิ้มแย้ ม, ยมสสนสายทักทายอย่าไปด่าไปว่าเขาให้อภัยเขา ถ้าพอจะช่วยเหลือเขาได้ก็ช่วยเหลือเขาไปบาปเราก็ต้องรักษาอยู่ตลอดเวลาด้วยการมีฮิริโอตปะมีความละอายในการทำบาปมีความกลัวผลของบาปที่จะตามมาแล้วก็มีเวลาว่างก็หมัน่นชำระใจด้วยการนั่งสมาธิหามุมสงบที่ไหนสักแห่งหนึ่งแล้วก็ ตั้งสติอยู่เพาะหน้าให้ระลึกถึงพระพุทธเจ้าก็ได้ด้วยการบริกรรมพุทโธพุทโธไปอย่าปล่อยให้ใจไปคิดเรื่องต่างๆถ้าไม่คิดเรื่องต่างๆได้ไม่นานใจก็จะสงบนิ่งเยน็นสบายตอนนั้นใจก็จะมีความสุขความทุกข์ความวุ่นวายใจที่อาจจะมีก่อนหน้าที่มานั่งสมาธิก็จะหายไปหมด เพราะใจมีเกราะป้องกันคือสมาธินี้ไม่ให้มีความมีเรื่องราวต่างๆเข้ามานั่นเองแต่ถ้าใจไม่มีสมาธิใจคิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้ห่วงเรื่องนั้นห่วงเรื่องนี้กลัวเรื่องนั้นกลัวเรื่องนี้ใจก็จะมีแต่ความทุกข์ร้อนอยู่ตลอดเวลาดังนั้นเราต้องพยายามฝึกทำสมาธิกันให้ได้เพื่อเราจะได้มีที่หลบภัยนั่นเอง มีห้องปรับอากาศจากอากาศร้อ น, อนเช่นในระยะนี้อากาศจะร้อนมากทุกคนมักจะเข้าห้องปรับอากาศกันเข้าไปในรถยนต์ก็มีเครื่องปรับอากาศเข้าไปในบ้านเข้าไปใดใดตามสถานที่ต่างๆก็มีเครื่องปรับอากาศกันแต่ถ้าใจเรายังไม่มีเครื่องปรับอากาศในใจของเราคือไม่มีสมาธิต่อให้เราอยู่ในห้องปรับอากาศที่ไหนก็ตาม ก็ยังไม่สามารถทาใจของเราให้เย็นลงได้ทําใจของเราให้สบายได้เพราะเครื่องปรับอากาศของร่างกายนี้ไม่สามารถปรับความเย็นของใจได้นั่นเองเครื่องปรับอากาศของใจก็คือการทำสมาธินี้และการเจริญปัญญาการพิจารณาว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่เรามีอยู่นี้ล้วนเป็นของไม่เที่ยงทั้งนั้น ไม่ว่าจะเป็นสมบัติข้าวของหรือบุคคลไม่ว่าจะเป็นลาบยศเสริญสุขทุกสิ่งทุกอย่างมีการเกิดและมีการดับเป็นธรรมดาสักวันหนึ่งเราก็ต้องพัดทากจากสิ่งต่างๆเหล่านี้ไปหรือไม่เช่นนั้นเขาก็พัดพรากจากเราไปเราจึงต้องปล่อยวางอย่าไปยึดติดพร้อมที่จะให้เขาจากเราไปพร้อมที่จะจากเขาไป นี่เรียกว่าปัญญาถ้าเรามีปัญญาใจของเราจะไม่รุ่มร้อนกับเรื่องของการเปลี่ยนแปลงเรื่องของการพัดพลากจากกันเมื่อถึงเวลาก็ให้เขาไปเหมือนกับไม่มีอะไรเกิดขึ้นคนที่ไม่ยึดไม่ติดแล้วจะเป็นอย่างนั้นจะสบายอกสบายใจทุกเวลาไม่ว่าจะอยู่กับใครหรือจะจากใครไปจะไม่มีความเดือดร้อนใจเลยนี่แหละคือเรนใจของพวกเรา ที่พระพุทธเจ้าได้ส่งมอบหมายไว้ให้กับพวกเรานำมาสร้างขึ้นด้วยการยึดพระรัตนสองสองส่วนก็คือพระรัตนไตรและอัตตาหิอัตโนาโนาโทนี้ไว้เป็นเครื่องมือในการสร้างเดินใจนี้จึงขอให้ท่านจงนำเอาเรื่องที่ท่านได้ยินได้ฟังในวันนี้ไปพินิจพิจารณาและปฏิบัติเพื่อ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 ด้วยอายุวันนาสุขภะละโดยทั่วหน้าการเธอ